เพื่อคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลให้น้อมพินิจพิจารณาทำให้ใจของเรามันสบายเนยปไปพระวงในอดีตในอนาคตดูปัจจุบันธรรมอดีตมันผ่านมาเราก็ไม่ไปสงสัยมันอันนั้นมันเป็นอดีตมันผ่านมาแล้ว อนาคตยังไม่มาถึงเราอย่าไปพระวงค์มันอันนั้นมันสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้เอาปัจจุบันอธรรมเมื่อนเรารูปัจจุบันอธรรมพร้อมคาบริกรรมของเราจิตของเรามันก็จะสามารถส ง, งบได้นิ่งได้ถึงมันกว่กแกงไปทางไหนเรานั่งอยู่นี่มันไปขอให้มันไป มันเป็นหน้าที่ของมันเพราะมันเป็นลักษณะอยู่อย่างนี้จิตใจเนี่ยมันกวักแกงมันลุกลีกลุดหกลุดห ก, ก, กชอบไปยึดนั่นติดนั่นจิตนั่นนึกนั่นสร้างนั่นความวาดมโนภาพอันนั้นอันนี้บ้างอันนั่นเป็นเรื่องของจิตเราก็พยายามกําหนดให้มีสติถ้าเราเผลอมันก็ขาดขาดการภาวนา เมื่อขาดความภ า, าวนาแล้วใจของเราก็ะพุ้งสัน้นนั่งไปเท่าไรก็ไม่ไม่มีความสงบเมื่อใจของเราไม่มีความสงบมันก็ไม่มีพลังไม่มีกำลังเราจะมาน้อมนึกพิจิ ต, ต, ตรพิจารณารำบทไหนมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้ตามสภาวะความเป็นจริงท่านจึงให้กำหนดให้มันสงบ เมื่อกำหนดให้มันสงบได้มันไม่กระเพื่อมเราความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ทันมันความหลงเกิดขึ้นเราก็ได้รู้ทันมันเออเราก็พยายามจะสร้างแต่คุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นที่ใจนะคนับเป็นอย่างนั้นที่ท่านท่านจึงให้ภาวนาให้กำหนด เไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่น้อมนํำอำมาพินิพิจารณาถ้าเราน้อมนํำอำมาพินิพิจารณามันก็เกิดประโยชน์เกิดปัญญาความแตกช้านความเฉลี่ยวสลาดเกิดขึ้นที่เราไม่รู้ไม่เห็นว่าทำมีอยู่ก็เพราะว่าเราขาดการพินิพิจารณาขาดการน้อมนึกขาดการเลือกขาดการแยกแยะที่คายเออ จะนั่นนั่นยังว่าให้แยกเยอะที่คายไม่ต้องไปแยกเยอะที่คายสึ่งอื่นหรอกอมัะเข้ามาในแล้วเราจะสร้างคุณงามความดีคือการประพฤติธปฏิบัติเออเรามีหน้าที่อย่างเราเป็นพระอย่างนี้เรามีหน้าที่ออกมาบวชมาศึกษาแล้วเรียนเออถึงจะบวชน้อย เวลาน้อยเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้มันจริงมันจังถ้าเราทำจริงทำของพระพุทธเจ้านี้เป็นทำของจริงไม่ใช่ว่าของเกียดต้านเราค่าเขาเกียดต้านเราก็ไม่สามารถพบเห็นได้ถึงว่าทำมีอยู่ถ้าเราขยันมันเพียนเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้ ทำเราก็มักเราก็ได้ครอบครองทำอันนั้นเออมันเป็นอย่างนั้นให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติการนั่งภาวนาเนี่ยเราดูกิเลสของเรานะ่เนะมันไม่ชอบหรอกเออพอรู้แล้วว่าเรามันหนามันทึบเราก็พยายามทำให้มันมากเออจะทำประเดียวประดาว มันก็ไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์มันไม่รู้สึกเราเรื่องของกิเลสนั่นนะ่ะเออเราไปนั่งนะั่งเดียวแล้วมันมันไ ม, ไม่ทันคนของมายาของมันเราต้องสู้มีวิริยะมีขันติความอดกัน้นมีความอดทนต่างคนต่างมีขันติต่างคนต่างมีความอดกัน้นก็สามารถจะปันป่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้เออ มันติดในส่วนไหนของร่างกายแล้วเอาส่วนนั้นแหละมาพินิจพิจารณาแยกแยะที่้ครให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อจิตของเรามันเป็นสมาธิแล้วถ้ามันยังไม่เป็นก็พยายามกําหนดพยายามพินิจพิจารณาคําบริกรรมของเรานั่นแหละสําคัญอ่ะให้มันแนบแน่นกับใจของเราอย่าไปเผลอถ้าเผลอแล้วมันก็หลงแล้วก็ตั้งใหม่อยู่นั่นแหละ มาวันไหนก็มาตั้งใหม่อยู่นั่นแหละมาวันไหนก็มาตั้งใหม่อยู่นั่นเนีนั่งวันไหนก็มาตั้งใหม่อยู่นั่นเนี่ยมันเลยไม่ได้อะไรเบ้านเองเออามาวันหลังก็เกิดความเหนื่อยหน่ายอะไบ้านเ้เพราะขาดการตั้งใจขาดการพินิษพิจารณาถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วการภาวนามันก็ไม่คืบหน้ามันก็อยู่แค่นั้น อันนี้เรามาทําทุกวันทุกวันพอฟังสวดอภิธรรมเสร็จเราก็ตั้งใจต่างคนตั้งใจต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติดัดกายดัดวาจาดัดใจของเรานั่นแหละให้เข้าตามําลองกองทำให้มันเห็นให้มันเป็นอันรู้เรามันเกียดข้ามเราก็ขยันขยันเข้าเออ เพราะว่าหน้าที่การงานของเรามันไม่มีมากอะไรอองานคานภายนอกก็มีบ้างเ อ, อเพราะว่าเราอาศัยโลกนี้อยู่เราก็ทำแต่งานภายในของเราอย่าให้ขาดการไหว้พระการนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นอุบาสกอบวาสิกาก็ตามตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติ เมื่อถึงวันสําคัญท่านสมมุติว่าเป็นวันสิบสี่ําเป็นวันสิ้นวันดับวันอะไรท่านสมมุติไว้เราก็พยายามมามาวัดกายวัดใจของเรานี่เหลอช่ <c oughs> วงระยะนั่นน่ะเราญีบุ ญ, บญมีกุศลมีความชั่วมาเข้ามาใจของเรากี่มากน้อยแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันมากอย่างอย่างบุญมันน้อย เออเราก็พยายามต่อพยายามสร้างให้มันเกิดขึ้นเออคือการนั่งภาวนานี่แหละการพินิษพิจารณาให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเราก็จะหลุดพ้นไปได้เกิดนิพิธาเมื่อเกิดนิพิธาแล้วเราก็ไม่อยากจะมาเกิดอีกเพราะโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราก็รู้อยู่เราถ้าเราขาดการภาวนาแล้วมันก็รู้อยู่แต่ในตำรับํารานั่นแหละ อันนั้นมันเป็นสัญญามันหลงได้ลืมได้มันไม่มันไม่แน่นอนไม่เหมือนกับเราภาวนาถ้าเราภาวนาสมมติว่าเราจิตเราสงบเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิมันไม่หลงหรอกเออเมื่อเราลึกถึงเมื่อไรใจเบิกบานเมื่อนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่ให้เปหลงไปให้ไปติดมันเพราะสิ่งเหล่านั้นมันยังมันยังเป็นอนิจจังอยู่มันเสื่อมได้ สมาธิน่ะไม่เหมือนใจหลุดพ้นใจเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายความหลุดพ้นอันนั้นมันหลงไม่ได้ลืมไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันไม่อยากมาเกิดหลอกมันเพราะมันเต็มไปด้วยกองทุกข์มันเป็นอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติที่แรกมันก็ลมรุกทุกขานนั่นแหละเออมันยากเออมันยากแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราต่างคนต่างมีหน้าที่ คนอื่นเขาทำเขาก็ได้ออไม่ใช่ไม่ใช่เราไปได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนพูดชี้แนะบอกหนทางแค่นั้นให้ประพฤติธปฏิบัติแต่คุณงามความดีได้เจอเราถ้าเราตั้งใจประพฤติธปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นให้เราตั้งใจต่างคนต่างตั้งใจถ้าเรารู้จักหน้าที่ของของระบุคนแล้ว อยู่ด้วยกันมากๆก็มีแต่ความสุขเพราะเรารู้หน้าที่เราไม่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านถ้าเราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านแล้วอยู่ที่ไหนจะอยู่กลางโลกก็ตามจะอยู่วัดอยู่ว่าก็ตามไม่มีใครชอบหรอกคนขี้เกียจนั่นน่ะอื่นแต่เช้าเออคือพระเนี่ยต้องมีความสังวรสังรวม เวลานอนต้องให้มีสติเมื่อตื่นแล้วก็รีบลุกเลยไม่เดยนอนต่อเออล้างหน้าล้างตาไหวพระสวดมนต์ถ้ามันง่วงลงมาเดินจุ่มกลมช่วงฝนไม่ตกนะเปลี่ยนทิยาบทฝึกวันนั้นบ้างฝึกวันนี้บ้างเออฝึกเพื่อคุณงามความดีนั่นแหละฝึกเราเราอย่าไปให้คนอื่นไปฝึกไปบังคับคนอื่นไปบังคับมีโกรธมีเกียรติเออมันไม่ชอบให้เราบังคับเรา บังคับก็คุณงามความดีไม่เป็นไรเอออย่างกิเลสบังคับเราไปทะเลถรายเออนั่นมันมันเรายังไม่รู้สึกตัวนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีสติปัญญาสามารถแยแกแยะได้เราก็อาศัยสําหรับตําราบ้างอาศัยครูบาอาจารย์บ้างช่วยเนียช่วยชี้บอกถ้าท่านบอกก็ตั้งใจเอาตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่าให้ไม่มีความโกรธความเกลียดเ อ, อถ้ามีความโกรธความเกลียดนั่นะตัวระกิเลตน่ะตัวกิเลตให้รู้ว่าถ้าเราไม่มีความโกรธความเกลียดนั่นะแสดงว่าเรามีทำอยู่แล้วที่ใจอ่ะนั่นะให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงไม่ใช่ว่ายังน้อยยังหนุ่มอยู่เ อ, อเล่นอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ อ, อ, อย่างเราอยู่ ที่พักอาศัยล้วก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาให้มันสะอาดสะอานผ้าผ่อนทอ น, นสบายเราก็พยายามเก็บอย่าไปตากให้มันนั่นมันดูไม่งามสัตยาญาณโยมเข้ามาเต่ทางไกลก็แสดงว่าเราไม่มีละเบียบออวัดเราไม่มีละเบียบกระทั่งเราเองนั่นแหละไม่มีละเบียบรออะเบียบในกา ร, ป, รปฏิบัติก็ไม่มีระบาลถึงเราบวชน้อย แล้วก็ตั้งใจทำเอาหมวดแค่เดียวเดียวหรือสิบกว่าวันก็ AL, nes, ตั้งใจถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันได้ทั้งนั้นแหละทุกคนล่ะเพราะเรามีจิตมีใจอยู่รู้อยู่ว่าเออชั่วเราก็รู้ดีเราก็รู้เออทุกเราก็รู้สุขเราก็รู้เออถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้เราก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้เออถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนมันสุขอันไหนมันทุกเออนั้นมันไม่สามารถทำประพฤติปฏิบัติ มากําหนดพิจารณาได้เออคนเาวความงามเราก็รู้ความสวยเราก็รู้ความอันดีอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีเราก็รู้ถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้เราก็อยากได้ตึกดีของดีเมื่ออยากได้ของดีเราก็สร้างเอาถึงว่ามันทุกข์มันก็เป็นของธรรมดาทางเราไม่เคยเที่ยวเราไม่เคยเดินมันก็เป็นทุกข์เป็นเจ็บนั่นปวดนี่ก็เป็นของธรรมดา เพราะสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่แล้วในโลกนี้ประจําอยู่นี้เราเราพมาเกิดในพบนี้โลกนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เขามีอยู่อย่างนี้ถ้าเรารู้ละไว้แล้วเราก็ไม่ประพระองค์มันเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราก็สามารถทําจิตให้ละใจทําจิตใจของเราให้สงบได้มันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราไปพระวงศ์แต่อันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูขาของกูแขนของกูอะไรก็ของกูหมดไม่กําหนดพินิษพิจารณามันก็เลยไม่ได้อะไรก็ได้แค่นั้นแหละนั่งเชิญท่านนั่งกัมานั่งคนทุกข์ทรมานเ อ, อีแล้วออกไปก็บนละมันนั่งก็มีแต่ความเจ็บความปวดเออคูบาอาจารย์ท่านก็ปวดเหมือนกันนั่นแหละความเจ็บความปวดเออมันมีทุกคน ว่าเลยเวลานี้ขนาดนี้ใจของเรามันไปติดอยู่สิ่งไหนล้วก็น้อมพินิษ์พิจารณาแล้วมันติดแล้วมันได้เกิดประโยชน์อะไรกัพิจารณาดูสิห่ะเออมันเกิดประโยชน์ไหมเราทํามานั่นแหละด้วยมากมันติดในการมคุลหนะ่านน่ะลูกเสียงกลิ่นรสโพธพภะนั่นละ่ะอันนั่นละ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเออถ้าเราไม่ อ, น, อมน้อมนํามาพินิษพิจารณาแล้วมันก็หลงเหลงืงอยู่นั่นแหละ จะไปสร้างคุณงามความดีจะไปเดินจงกรมก็ไม่ได้จะไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ได้เออนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะมันติดใจมันถอนไม่ออกเออเมื่อใจมันถอนไม่ออกคุณงามความดีมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปดูรูปแล้วคุณงามความดีมันเกิดขึ้นนะมันหลงน่ะมันเต็มอยู่ในนั่นนะเออการมราคะมันก็อยู่นั่นนั่นให้ดูสิพิจารณาดูอันนี้มันไม่ได้พิจารณามันเลืงปล่อยไปเรื่อยๆ มันก็เลยเลยหลงคนอุบายเขาเออให้เขาล่าเขาจูงไปอยู่นั่นเราต้องตั้งใจประพติปฏิบัติเมื่อเรายังมีกําลังวางชาอยู่นี่แหละเมื่อเราแก่แล้วเราจะมาประพปฏิบัติมันก็ยากเออมันเป็นอย่างนั้นนั่งโก้โอยลุกโก้โอยจะทําอะไรก็ไม่ได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรายังมีกําลังวางชาเราก็มีความอดทนอดกั้นมีวิริยะความเพียรเข้าวันนั่นบ้างมีวันนี้บ้าง วันนี้ขยิบได้ไปนิดๆหน่นนอยๆวันหลังก็ต่อมาเรื่อยๆนั่นแหะแต่การประพฤติปฏิบัติให้ดูปัจจุบันอาธรรมเวลานี้ขณะนี้แหละดูใจของเราเน่ะมันไปติดอยู่ส่วนไหนไปพระองค์อยู่ส่วนไหนเราก็มาแยกแยะที้คายเอออย่างเราติดในรูปเมื่อเราตายไปแล้วเราจะสามารถเอาไปได้ไหมเราก็เอามาสอนใจของเรานี่ยแหละการพินิจพิจารณาการตึกตองให้ควร พิจารโยนิโสมะนะสิการให้มันเกิดขึ้นที่ใจเมื่อเราพยายาม ท, ทําทุกวันทุกวันอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นได้อืมปัญญานั่นน่ะท่านเรียกว่าปัญญาท่านสมมติว่าปัญญาเดี๋ยวนี้ปัญญามันยังไม่เกิดเพราะว่าอาวิชามันหุ้มห่อความไม่รู้ <c oughs> ความเล้ามันอยู่นั่นเลยทํามันเลยเข้าไม่ได้เราพยายามหา หาให้มันออกให้สิ่งนั้นมันออกจากใจของเราใจมันอยู่ตรงไหนแล้วก็น้อมแล้วลึกดูที่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเป็นใจอะไรเป็นจิตอะไรเป็นมโนอ็น้อมนึกแล้วลึ ก, ล ก, ลกพิจารณาดูเออเราจรึงจะรู้ถ้าเราขาดการนึกการพินิจพิจารณาเราก็ไม่รู้เราก็เห็นแต่ในหนังสือนั่นแหละเลยไม่เข้าใจเออทำแท้มันไม่อยู่ที่ไกล อยู่ที่กว้องศอกยาวานาคือเ น, นี่แหละแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันเขาอยู่นี่นะอยู่ในนี้พระวินัยปีดกพระสุตตันตะปีดกพระอภิธรรมปีดกเขอยู่ในนี้เออเรียกว่าพระวินัยปีดกกับไมยถึงศิลนั่นแหละเออนั่นล่ะศิลของกลาว่าศศิลของพระเออนั่นน่ะพระสุตตันตปีดกกับไม้ถึงสูตรสูตรนั่น น, น, น, าา น, น, น, น่ ะ, ะนนนเออเลื่อนนิทานนั้นนี่นั้นยกเป็นอุปม า, มาประไมเ่เฉยเฉยนะ เออถ้าจะพูดตามปลาละมัดแล้วสุดพระสูตรมันกล่หมายถึงลมเข้าลมออกนี่แหละสูดออกสูดเข้าอยู่นี่นี่แหละพระสูตรแท้ให้น้อมเข้ามาดูเนี่ยถ้าดูนี้ให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปเรียนดูหรอกในลำดับตำราเนี่ยมันมีอยู่ในนี้หมดอันที่ท่านแยกแยะนั้นไว้ไว้นั้นน่ะเพื่อ จรินิสัยของเวเนยาชัติสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าจริตนิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันบางคนก็มีปัญญาบางคนก็ปัญญาปานกลางบางคนก็ปัญญาตามบางคนก็ไม่มีปัญญาเลยพระพุทธเจ้าไม่มีปัญญาเลยพระพุทธเจ้าก็ท่านไม่สอนสักสะพานเสียเนี่นท่านเรียกว่าผมมาอายกเป็นอันนั้นะอุคติตันยวิปกิจตัญย์เนยยะปะทะปรมะท่านยกเป็นสีระดับ บุคคลนั่นนะ่ะนั่นแหละแล้วเราให้น้อมนำพินิษ์พิจารณาดูสิเราอยู่ขั้นไหนอุคติตัญย์อู้สามารถรู้ได้เวลายกหัวข้อทําขึ้นเออนั่นอย่างพระอัสชินั่นนะ่ะได้ฟังธรรมจากพภาษ า, ารีบุตรแค่นั้นเออพระภาษาลีบูทําได้ฟังธรรมจากพระอัตชิพอ ย, ยกหัวข้อขึ้นก็าสามารถแยกแยะที่ขายเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ที่กายที่ใจเนี้ย นั่นมันเป็นอย่างนั้นเออที่พระสารีบุตรฟังธรรมจากพระสัชชิน่นะพอน้อมเอาหามหาเหตุดเตูเหตุเหตุอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนี่แหละนั่นน่ะอย่างผู้มีปัญญาปานกลางท่านแยกพอท่านยกพอข้อคำขึ้นขยายไปหน่อยก็พอเข้าใจขยายอธิบายไปก็เข้าใจนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นปัญญาของ เวรนิยสัตว์ของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันแล้วก็นเนยยะยกหัวข้อขึ้นท่านสอนวันนั้นบ้างสอนวันนี้บ้างอนุโลมปฏิบโธลมเราก็น้อมนําพินิษพิจารณามันก็เกิดปัญญาขึ้นเกิดธรรมขึ้นท่าน่ะถึงว่าธรรมมีอยู่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะเราศาสตร์การน้อมเข้ามาศาสตร์การพินิษฐพิจารณาเออเพราะเราไปหลงไปหลงอยู่ข้างนอก ไม่มาอยู่แต่ข้างนอกไม่เน้นน้อมเข้ามาข้างในท่านนั้นท่านจึงว่าให้โอปานายโกน้อมเข้ามาให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเออที่พูดนั่นก็เอาของเก่านั่นแหละเราก็ใช้ของเก่านี่แหละเธออาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละเอามาใชา้การประพฤติปฏิบัติก็อันเดียวกันนี่แหละเออไ ม, ไม่ได้ไปเอาอันอื่นมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราไปเอาอันนั้นบ้างอันนี้บ้าง มันก็ไม่ทันกลอุบายของกิเลสเเรียกว่าจับปลาหลายมือเลยเลยไม่ได้อะไรแล้วถ้าเราจับอันไหนเรากบกําหนดอันไหนเราก็กําหนดอันนั้นล่ะให้มันแนบแน่นให้มันแตกสารพินิจพิจารณาอนุโลมปฏิโลมให้มันเห็นเมื่อจิตมันสงบเออเราก็พามันสงบไปเสียเออให้มันได้กําลังเมื่อมันถอนจากความสงบมา เรากลับมาตั้งใจกรรําหนดพินิษฐ์ทาแยกแยะเลยจะอย่าไปหลงหลงเวลามันเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาเราไปหลงมันเดี๋ยวมันจะเกิดวิปราชเอออันนั้นมันเป็นสัญญาเออมันเสื่อมได้ลืมได้หลงได้มันไม่ใช่ทำแท้เออถ้าเราไม่มีครูมีอาจารย์แนะนํามันก็หลงเพราะสิ่งเราไม่เคยรู้ก็ภูมิใจดีใจเกินไปเสีย หลงตวนตนเสียมันก็เลยช้าทางไปเสียการเดินทางนั่นอย่างเขาเดินทางนั่นน่ะการเดินไปเดินไปไปเห็นต้นไม้ต้นนั่นก็ชมไปเรื่อยเห็นนกก็ชมไปเรื่อยการเดินทางมันก็ล่าชา้านี่นี่เป็นอย่างนั้นการปรฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเหมือนกับการเดินทางนั่นแหละถ้าเรามีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนชี้บอกทางให้ก็สามารถเดินเดินตรงดิ่งไปเลยก็ถึงเร็ว อันนี้ก็เหมือนกันเรามีตํารามีแบบแปนแผนพัง <c oughs> พระพุทธเจา้าท่านสีเน้ไว้แล้วทําเป็นแบบแนปนปุยทางไว้ให้แล้วเราก็เดินตามนั้นดัดกายของเรานั่นแหละดัดวาจาของเรานั่นแหละดัดใจของเรานั่นแหละให้มันเข้าตามคำํำคำนร อ, องธทำจะเป็นศีลทางใจก็ตามจะเป็นศีลทางวาจาก็ตามจะเป็นศีลทางกายก็ตามขอบพยายาม พะพืชปฏิบัติให้มันเข้าตามล่องรอยคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคาสั่งก็หมายถึงศีลนั่นแหละคาสอนก็หมายถึงทำท่านสอนให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เออท่านสั่งไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทำถ้าเราทำก็ผิดศีลของเราที่เราจะรู้หรือไม่รู้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติจิตมันก็ไม่สามารถสงบได้เพราะว่าศีลเรามันดา่ากมันพลอยศีลของเรามันไม่บริสุ์ เราไม่ได้อยู่ในคํารองคลองธรรมไม่อยู่ในขนุนธรรมเนียมจริตรปฏิปญีที่พระพุทธเจ้าท่านเคยประพฤติปฏิบัติมานั่นเหตุนั้นเราไม่เข้าใจต้องหาตำราไปศึกษาไปอ่านดูถ้าไม่เข้าใจก็มาถามครูบาอาจารย์ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเออถามท่านผู้รู้ผู้บวชมาก่อนอย่าไปปล่อยปะละเลยในวินัยมันมีอยู่ เมื่อดูแล้วขืนทําลงอันนี้บาปหนักที่สุดเเห็นไหมผู้ที่ไอ้ต้องสี่ข้อนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะในเมธุนนั่นนะ่ะพอรู้นั่นแหละรู้แล้วขืนทําลงนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันบาปหนักที่สุดเลยแหละจะมาบวชอีกก็ไม่ได้จะมาภาเพรศปฏิบัติให้เข้าสูม่มรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ได้แค่ไอ้ยผมมาโลกแค่นั้นแล้วก็กลับมา กบัดมาตายอยู่นี้อีกมาใช้กรรมอยู่นี้อีกนั่นเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นเมื่อเราจะทําอะไรเราก็ต้องระลึกถึงตัวเสียก่อนพอเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์เราระลึกถึงพ่อถึงแม่ด้วยถึงครูบาอาจารย์ด้วยเออเพราะเวลาเราทําเสียแล้วทําชั่วแล้วมันไม่ได้เสียแต่เราคนเดียวเสียทั้งครูบาอาจารย์เสียทั้งพ่อทั้งแม่เสียทั้งตระกูลด้วยนั่นเป็นอย่างนั้น ถ้าเรามีสติอยู่อย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะไปทําความชั่วได้เออถ้าเราไม่ที่มันทํามันกเ็เพราะพราขาดสตินั่นแหละถูกกิเรสจะจูงไปลากไปดึงไปอยู่นั่นอนะ่ะเพราะขาดการกําหนดกาดขา ด, ขาดการพินิจพิจารณาเลยหลงเลยลืมเมื่อกว่าจะได้สติไปโอ้ล้อมตัวเข้าไปลึกแล้วจะถอนก็ไม่ขึ้นละมันเออลาบาก ไลยปล่อยเลยตามเลยมันก็เลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเออบวชมาเออการบวชมันมีอยู่กา ร, ป, รปฏิบัติเอออะไรอะไรอันตรายของพิสุสามเณรผู้บวชใหม่นั่นน่ะเออให้เราเอากาหนดมา พ, พิจารณาดูซิเออทนความคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรือคำส่งสอนของครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นน่ะชี้ียัทําทตาม ให้เห็นเจอปากเจอท้องเพื่อเพื่อในการมาคุณเออหลงไหลในในกรรมมาคุณอันนั้นอะ่ะเนี่ยอันนี้พูดรวมๆเลยนะ่นี่นะให้เรามาแยกแยะพินิจพิจารณาข้อสาคัญในเรื่องผู้หญิงนี่แหละมันสําคัญอะ่ะไม่ว่าบวชเก่าหรือบวชใหม่ถ้าไปล่วงไปเลยไปละเลยก็ผิดทั้งนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นให้เราสํารวมสวังวรพินิจพิจารณาอย่างพระเราเนี่ย สำคัญเวลาญาดโยมไปหาต้องให้มีผู้ชายไปอยู่ด้วยต้องดูผู้หญิงร้อยคนก็คุ้มอาบัตเราไม่ได้เออมันเป็นอย่างนั้นเออเราต้องดูเราเราต้องสองสองบอนรักษาเออสินกรนีสำคัญเออเอะนั้นเนี่ยเวลาพระกุบาอาจารย์รับแขกต้องให้มีผู้ชายรู้เดียงสาอยู่ด้วยมันจึงจึงจะพ้นอาบัตได้ เออเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เลยแหละจะบอกเลยญาติยอมผู้หญิงอ่ะจะไปอ่ะต้องให้มีผู้ชายไปด้วยเออเพราะหลวงพ่อระวังอยู่เรื่องนี้เพราะรักษามาตั้งแต่วันบวชน่นะเพราะศึกษามาแล้วถ้ารู้แล้วขืนทำลงมันก็เป็นโทษอีกหนักอีกมันเป็นอย่างนั้นพระเนนให้เราสังวรสำรวมเห็นไหมหลวงปู่ ลุงปู่ประชาคามีท่านว่าท่านอยู่กับลุงปูป่บุญมานี่ยนะที่น้องคายเนี่ยผมข้อจําไม่ลืมเลยแหละที่ผมรู้จักญาติโยมน้องคายนั่นแหะกัผมก็อยู่กับลุงปู่บุญมานั่นแหละท่านรับแขกผมก็นั่งเฝ้าอยู่ท่านา น, นั้นแหละ่าผมก็ไม่ไปคุยกับนั่นเขาดอกเออพออยู่ได้ไปเป็นจนพรรษาได้อายุพรรษาสมควรแล้วเขาเขาญาติโยมท่านน้องคายเขาก็ไปหานั่นแหละเขาไปทุกปีทุกปีนั่นแหละนั่นะ นั่นแหละท่านเนาะแต่หลวงปออู่อุปชากมีนท่านนั่งนั่งท่านชอบหลับเนื้อกหลับสบะพงกอยู่เรื่อยหลวงปู่ท่านก็นเล่าให้ฟังรูปปู่มานบางครั้งอันปุ๊บลงไปหลับไปเลยแต่ท่านไม่หนีนั่น่ะท่านอะไรอ่ะท่านรักษาคุบาอาจารย์น่ะมันเป็นอย่างนั้นเนียนของเรากแล้วมกันอยู่วัดเนี่ยอย่าไปกลัวครูบาอาจารย์เมื่อเห็นพระพางนั่งอยู่กับญาติโยมผู้หญิง แล้วก็รีบเข้าไปเลยไปอยู่เป็นเพื่อนนั่นเรารักษาครูบาอาจารย์เราตาสินช่วยท่านเราจะไปปล่อยปะลาเลยไม่ว่าเป็นพระก็ตามอยู่ใกล้กันพยายามจะไปเรียกกู้ ย, ยืงขึ้นไปคุยด้วยไม่ได้ต้องพยายามสํารวมระวัอสังวรอันนี้ยังไม่ได้พูดนะเรื่องสินเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะพูดไปเรื่อยๆให้เราสํารวมสงังวรแต่นั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ศีลมันฐานมันไม่ดีการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดสมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดนั่นน่ะพราะฐานของเรามันไม่ดีอทํำยังไงมันก็ไม่ได้พอทําไปทําไปมันอนุสัยมันนอนเรื่องอยู่ในจิตในสันดานนั่นแหละพอจิตละเอียดเข้าจิตละเอียดเข้ามันจะไปตำเลยแหละเราก็น้อมมาพินิจพิจารณาที่ละบันเอาศีนเราก็ไม่บริสุทธิ์เรามันบานก็เอา พอทําไปทําไมวันไหนก็นไปตําอยู่นั่นแหละไปติดอยู่นั่นแหละเลยเลยเกิดความขี้เกียจที่ค้านอะไรเนยไม่อยากทําอะไรล่ะเพลินไปแต่ตามกรรมคุณฑานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรละ่ะเพราะศีลของเราไม่บริสุทธิ์ <c oughs> เพราะเราไม่รักษามันเป็นอย่างนั้นให้ต่างคนต่างรักษาต่างคนต่างประบวชปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นเออเพราะมันสิ่งศีลนัน้นเป็นของหยาบหยาบให้เรารักษาเมื่อเรารักษาศีลแล้ว ต่อไปสินจะรักษาเราเองนั่นเป็นอย่างนั้นเราไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขไปอยู่ปา่าไปอยู่ในถ้ำในเขาไปไปเวกอยู่ทางไห น, นพวกลูกขาเทวดาทั้งหลายเขาก็มารักษาเราไมาให้มีอันตรายนั่นเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครูบาอาจารย์ตามประวัติของครูบาอาจารย์ท่านไปประพฤติปฏิบัติท่านไม่สะทกสถานหรอเพราะว่าสินท่านบาริบูรณ์สินท่านบาริสุทธิ์ท่านไม่กลัวหรอก สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาใกล้ทันได้อันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่อย่างนี้เราไปเห็นสัตว์อื่นมาเราก็มีความเมตตาสงสารเจยไปทําเขาดูกําหนดพิิษฐ์พิจารณาดูเออให้มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเขาก็เป็นสัตว์อันหนึ่งเราก็เป็นสัตว์อันหนึ่งแล้วแต่กรศลแล้วแต่วาสนาของแต่ละบุคคลเคยสร้างสมอบรมมาในภพกอดราศก่อน ครัางนี้เรามาอยู่แต่ก่อนท่านอาจารย์อยู่เราก็มาอยู่กับท่านเดี๋ยวนี้ท่านก็มาละจากเราไปแล้วเราก็ให้น้อมและลึกถึงบุญคุณท่านคุณงามความดีท่านบางครั้งท่านคิดถึงเราท่านก็จะมามาแต่มาคนล้านล่างท่านไปอยู่อีกโลกหนึ่งเราก็ไม่สามารถจะสัมผัสเห็นได้เออบางทีท่านก็มาสิงสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นมา เออทางงูวันนั่นแหละเนี่ยเห็นนะวันนั้นก็พอท่านอาจารย์มาหามาเนะี่ยท่านพูดเรื่องงูเขียวกับไอ้ข้างโคกนั่นเนะาะพ่อน่กับป๊าบเลยแหละทลวงพ่อเออนั่นนะเพราะเขานั่นนะเขาไม่สามารถจะมาล่างเขามันมีแค่ขันสี่เวทนาความทุกข์เขาก็มี ความสวยทุกคขามสวยสู่เขาก็มีสัญญาความจําเขาก็มีสังขารความปรุงแต่งก็มีมันอันนี้ไม่หมายถึงสังขารภายในนะวิญญาณเขาก็มีแต่รูปเขาไม่มีเราก็ไม่สามารถจะเห็นเขาได้เพราะว่าเรามันยังอยู่โลกอีกลโลกหนึ่งใจของเรามันยังหยาบถ้าเราประพฤติปฏิบัติกําหนดพินิดพิจารณาให้จิตของเรามันละเอียดเข้าละเอียดเข้าเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้นั่นอ่ะ มันเป็นบุญวาสนาของเราแต่ต้อพบก่อนก่อนชาติก่อนให้มันเหมือนกันไม่ได้นั่นน่ะแต่เราก็สามารถทําได้เออเราก็เห็นเขาได้เราก็รู้ได้นั่นเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นเออฉะนั้นกา ร, ป, รปฏิบัติเมื่อเราทําเข้าทุกวันทุกวันใจของเรานี่มันจะนิ่มจะนิ่ม <c oughs> มีแต่ความเมตตาสงสารมีแต่ความอ่อนน้อมอันที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่ายอย่างนี้น่ะ พราะเรามันทะเลถลายนะเรามันรักษาตัวเองไม่ได้เลยบอกเหมือนกับไอ้เจ้าของควายนั่นแนหะไปเลี้ยงควายนั่นแนะ่ะมัวแต่กินตินลุกตาบันตา ท, ท่านเทพอุปมาปมาโ ย, ยกอุปมาปมายให้ดูนั่นแนหะเหมือนกับควายมันจินยากร้องไกรแต่ขอฟัดอยู่เรื่อยเสือจะมากัดมันละ่ะมันก็ยังไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเราจิตใจของเราเรามันทะเลถลายออกนอก ทางนอกกลูนอกทางเราก็ไม่รู้จเราจึงมาอาศัยกูบาอาจารย์ออคอยแนะนําคอยชี้แนะเมื่อท่านชี้ให้แล้วเราก็พยายามหลบพยายามตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติละคุณงามความดีก็ได้แก่เรานั่นแหละกูจะคกูคบาอาจารย์ท่านไม่ได้หรอกท่านไม่ได้อะไรมีแต่เหนือนั่นแนหะท่านกาหนดพิจารณาดูนี่เออแต่นั้นนะ่ะพึงพ่อโดยมาก จะไม่ออกจากกุติเลยแหละเออนั่นแหะออกกุติอยู่วัดสวนกล้วยเ น, นี่ยมันเป็นอยู่ป่าอย่างนั้นน่ะไม่เห็นคนทั้งวันก็ได้สนุกกําหนดสนุกการพินิษพิจารณาไม่ได้ไปสนใจกับใครนั่นแหละการภาวนาไม่ได้อยู่ที่อื่นเออไม่ใช่ว่าจะนั่งหลับตาจึงจะภาวนานะทํางานทํางานการอะไรอยู่กับเป็นการภาวนาถ้าเรามีสติกําหนดพินิษฐ์พิจารณาอยู่นั่น แยกแยะที่ค้ายอยู่นั่นให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงใจเราก็เบิกบานแล้วเราไม่ได้พิคิดข้างนอกปฏิทัพองข้างนอกไปฏิบิตรห่วงคนนั่นห่วงคนนี้เออห่วงเขาก็าช่วยเราไม่ได้เออมีแต่เราช่วยเราเองเออเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราก็ได้เราเองอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเราเราประทานอาหารเราจะอิ่มเราเองคนอื่นเขาไม่ได้อิม่มการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกัน ถ้าเราสร้างเหตุให้มันพอให้มันสมเหตุสมผลผลมันเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างเรานั่งเนี่ยจิตมันมกาหนดพิจารณาจิตมันสงบขนาดไหนเราก็รู้ให้เราพิจารณาดูที่แต่ก่อนเราเไม่เคยมานั่งภาวนาเนี่ยเรานั่งได้ไหมประเดี๋ยวประดาาแล้วก็เจ็บนั่นปวดนี่รู้สึกว่าร้อนอันนั้นมันเป็นกลนายของกิเลสกิเลสมันกลัวเราจะออกจากอำนาจของมันเออ นั่นละมันเราถ้าเราไม่ทันคนอุบายมันเราก็ผ่าออกเสีย ว, วันหลังมาก็ได้แค่นั้นวันหลังมาก็ได้แค่นั้นมันเลยภาวนาเลยไม่เอ้เคลื่อนหน้าไม่ก้าวหน้าถ้าเราอยากภาวนาให้ก้าวหน้าย่าไปห่วงห่วงกันหลับการนอนนอนเ้าก็นอนมาแล้วตั้งแต่เราอัานเกิดเกิดมาตั้งแต่แบเบาะนู่นน่ะมันได้ประโยชน์ไมยเราก็เอาอันนั้นเรามาสอนใจเรา เราตั้งใจประพฤ่อปฏิบัติแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้พักไม่ให้พักผอดนะให้พักผ่อนอยู่เราก็ดูดูเราเองเออเรามันหยาบเราก็พยายามให้ลงลงให้มันแรงแรงเอออย่างไม้เนี่ยเราจะไปเอากบไปใสมันยังหนาๆอยู่แล้วจะว่ากบไปใส่ไป น, นั้นมันก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ขวน ปันมันลงไปให้มันแรงๆมันจึงจะเป็นเสาเป็นอะไรได้อันนี้ก็เหมือนกันเรามันหยาบเราก็สัองทำ ม, มันแรงๆแรงไม่เป็นไรแรงแต่เราอ่ะ mm hmm. เออเ ร, รู้อยู่รู้สภาพของเราอยู่เออรู้กำลังของเราถ้าเราไปปล่อยไอวันนั้นวันนี้บ้างวันนี้บ้างเรวก็เลยตามเลยเลยไม่ได้อะไรอะไ บวชกันเลยว่าบวชเฉยๆไม่รู้อะไรไม่รู้จักอะไรเออเห็นท่านมานั่งก็นั่งเฉยๆออนั่งแบบบังคับเอออย่าให้ได้บังคับเวลาเราออกไปแล้วเราก็ตั้งใจแบบเพื่อปฏิบัติเหตุฉนั้นท่านจึงว่าอย่างศีลของเนนน่ะท่านจึงว่าอะพรมมาผมมาอยู่แบบผมไม่จะอยู่แบบกองกันเหมือนกับ น, นอนนะอยู่คนแล้วที่ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์สิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่ละอายหรอกถ้าคนอายการทำความเพียรการสร้างคุณงามความดีนั่นแหละอันนั้นและ เ, เร็วที่สุดคนนะ่ะนั่นให้พินิพิจารณาดูอย่าไปอายมันไม่เป็นสิ่งที่จะน่าละอายหรอกการประพฤติปฏิบัติตั้งใจเดินให้มันจริงๆการเดินุงกรมนั่นคนอื่นเขามาก็ไม่ติดไปสนใจ เราเดินกำหนดพินิษ์พิจารณาเล็งแค่แอกแขนเราไม่เหลียวนั่นมองนี่ตั้งใจกำหนดเราเคยกำหนดทำบทไหนเราก็เอาทำบทนั้นแหละมากำหนดเดินให้มีสติถ้าเราทำอยู่เรื่อยเรื่อยสติมันก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเรารู้เองเวลาเราจะยกเท้ายกขึ้นเหยยบลงลุกขึ้นหยยบลงเราก็รู้พอกาหนด ไปพิจารณาไปเดินไปเนี่ยกลางคืนยันมืดมืดนี่มันจะสว่างเลยแหละเออนั่นน่ะนั่นล ะ, นนะจิตลราของเราสว่างแล้วจิตของเรามันเป็นสมาธิแล้วนั่นน่ะเดินตลอดลุ่งก็ได้ไม่มีความเหน็ดความเหนื่อยแล้วเพราะใจเรามันสงบใจเรามันเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างนั้นเห็นไหมลวงปู่ขาวท่านมาอยู่กับลวงปู่บุญนั่นน่ะในประวัติท่านกำหนดดูร่างกายของท่านน่ะ อ่าทิตั้งกระดูกอทิตั้งกระดูกกําหนดพิจารณาอยู่นั่นน่ะพอคิดมันสงบมองดูล่างเจ้าของไม่ได้มองดูเฉยเฉยเนะาะหลับตาอยู่ก็เห็นเห็นเป็นโครงกระดูกนั่นน่ะนั้นแหละทำมันเกิดเราอย่าไปกลัวเราน้อมนําพินิษฐพิจารณาให้เป็นปฏิภาคคณิมิตแยกแยะขี้คายให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงอย่างเขาไปเผาทิ้งนั่นน่ะเออเผาเผาแต่กองพรกองไฟนั่นน่ะ แล้วมันสลายไปสู่ดินแล้วกับมันก็กลับขึ้นมาใหม่มันไม่ตายหรอกเพราะเรายังมีลมปานอยู่จะไปกลัวตายมันไม่ตายหรอกเออการภาวนาเนี่ยย่าไปกลัวตายกลัวตายเป็นเรื่อง <c oughs> ของกิเลสคนมายาของกิเลส อ, อ่ถ้าเรามันยังมีลมปานอยู่มันไม่ตายเออถ้าเรากลัวตายอยู่แล้วกับเดียวกับครั้งอื่นไม่นานหรอกกตายอีกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราตายนะถ้าเรากําหนดแยกแยะให้มันเห็นตามสภาวะความสภาวะความเป็นจริงของเขาแล้วมันตายเราก็ไม่เสียดายละบ้านนี้เราก็ปล่อยไปสละไปเสียเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็รับผิดชอบต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบกันไปเหี่ยวยารักษากันไปถึงเวลาถึงการเวลามาเราก็สลดทิ้งแต่เสียเราไม่มีอะไรอาวรณ์ต่อเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราใช้มาแล้วเออเราได้คุ้มแล้ว เราได้กำไรแล้วนั่นมันเป็นอย่างนั้นใจเราก็เบิกบานล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถออกไปได้ทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาไปด้วยเออร่างกายสังขารธาตุสี่ดินน้าไฟลมเนี่ยท่านกัสละทิ้งไว้ในโลกนี้แล้วแต่ท่านไม่มาเกิดก็มาเกิดอีกเพราะท่านกําหนดพินิษ์พิจารณาแยกแยกขี้คายให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วท่านก็ไม่อยากมาเกิดอีกนั่นเป็นอย่างนั้นมีแต่ความสุขระบาย เออันนิพานมันอยู่ไหนหพ่อก็บอกอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละไม่ได้ไปขึ้นไปชั้นฟ้าอากาศที่ไหนแต่ขาดการประพฤติปฏิบัติขาดการกําหนดพิจิตรพิจารณาของเรานั่นแหละมันเลยไม่รู้ไม่เห็นเราก็มีแต่อ ใ, ให้กิเลสมันลากไปจูงไปทํานิดนิดหน่อยหนอยก็ปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่ยูงเข้ามาเอาเลือดไปนิดนิดหน่อยหน่ก็ความจะหมดความจะไข่ ไม่เลยรมไม่เลยเลียวกุงไปนู่นอ่ะอันนั้นแหละคนมายาของกิเลสนั่งนานกว่าก็จะเก็บจะไข้กว่าจะป่วยกว่าจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นคนมายาของกิเลสถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาสอนเราถ้าเรามีสติมีปัญญาสอนเราต่างคนต่างสอนต่างคนต่างกําหนดกันพิจารณาแล้วมันก็ไม่ทันมันก็ทันคนมายาของเขา เราก็สามารถปั่นฟาอุบศักสิ่งเหล่านี้ไปได้ความเจ็บก็เป็นเรื่องของความเจ็บความปวดก็เป็นเรื่องของความปวดเออเมื่อเรานั่งไปนั่งนา น, น, านกายมันจะเอียงไปนั่นบ้างโกงไปนี้บ้างก็เป็นเรื่องของร่างกายอันนั้นมันเป็นของอนิจจังทุกขังอนาตาแต่ขอให้ใจเรามันเที่ยงต่อทำคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วกันเราไม่ได้เอาอันอื่นเราไม่ได้ภาวนาเอากายเนี่เป็นเครื่องมือของ การทำงานเฉยๆเาราภาวนาดูใจของเราเอาใจของเราดัดใจของเราให้เ ข, ข้าคำนองทวามทำเฉยๆอนากายนี่มันเป็นสมบัติโลก เ, เรายืมเข้ามาใชา้ชั่วว่างชั่วขาวถึงการเวลาเรากะสละไปเสียเนี่ยเราน้อมนำพินิจพิจารณาเมื่อสิ่งเรา่นั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่ไต้สกทาหันจะนั้นท่านจึงโผกบทให้มาพินิจพิจารณาเรามีความแจเป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแล้วบัด น, นี้เราพิจารณาให้เป็นของธรรมดาแล้วหรื อ, อยังอันนี้อยู่ที่เราเออถ้าเราไม่ได้มิตพิจารณาสิ่งเรานั่นนี้เกิดขึ้นใจเราก็เศร้ามองใจเราก็ห่อเหี่ยวเออนั่นเนอะเราเสียดายนั่นเป็นอย่างนั้นเ อ, อนั้านท่านถึงให้เตรียมตัวไว้ก่อนตั้งแต่เรายังมีลมปานอยู่นี่หละ ยังมีกําลังวังชาอยู่นี่เตรียมไว้ให้มันรู้ไววให้มันเห็นไว้เมื่อเห็นแล้วเราก็จะไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเราก็ไม่ลืมนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างเราเดินทางเนี่ยถ้าไม่เราไม่หลงมันก็ถึงง่ายถ้าเราหลงมันก็วกไปเวียนมาอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นเป็นอย่างนั้นต่อไปให้ต่างคนตั้งกาหนดพินิษฐพิจารณาจนกว่าถึงเวลา ตามแต่กําลังศรัทธาของใครของมันถ้ามีกําลังมีศรัทธามากก็ตั้งใจกําหนดพินิจพิจนารณาไปเรื่อยๆจนกว่าใจมันจะถอนอย่าไปกําหนดเวลาถ้ากําหนดเวลามันมเราไม่ไดภาวนาเอาเวลาเนี่ยเราภาวนาเอาทําต่างหากเอาใจต่างหากดูใจของเราต่างหากเออเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรละมามาม า, มานั่งวันหลังก็ได้แค่นั้นแหละ พอเรากำหนดเอาเวลาน่นเออไม่ได้ดูใจของเราไม่มีเตรียมตัวแต่จะจาก จ, จะออกอย่างเดียวเออนั่งกระเดียวประดาวไม่เกิดประโยชน์ออกใจอันหนะสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เอออย่ไปกลัวกลัวว่าจะไม่มีใครมาประพฤติปฏิบัตินันหนะเออมันต้องมีเออถ้าเขามีศรัทธาอยู่แล้ว ให้ดูใจของเราเองนะัน่ะให้ตัวดูใจของคนอื่นเออเห็นท่านนั่งได้เราจะไปอิจฉาเอออนุโมทนาด้วยอืมถึงว่าท่านไม่นั่งอยู่นี่ท่านก็ทําอยู่เออพอรู้อยู่แล้วโรคนี้โรคแก่โรคเจ็บโรคตายเออมันไม่เที่ยงกิรังยั่งยืนอะไรถ้าประมาทก็ไม่ได้อะไรเออ ได้แต่ความประมาณแล้วไปเวลาโน่นแหละเวลาจะตายเมื่อนอนทุลนทุไายแล้วใจวุ่นวายุนมองนั่นเป็นอย่างนั้นดูสิให้เราดูว่าเวลาครูบาอาจารย์ผู้ท่านเคยประพฤติธปฏิบัติก่อนท่านจะละสังขาร น, นั่นน่ะท่านกำหนดพิจารณาดูผู้จะไปนั่นน่ะจะไปจากไหนให้กำหนดพิจารณาดูนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นท่านไม่สะดวกทาน เอออย่างท่านอาจารย์เราน่ยก็เหมือนกันไม่ได้เสียดล้มเส้นใจกับท่านหรอกท่านนอนกําหนดดูอยู่ท่านรู้อยู่ท่านจะไปยังไงไปยังไงท่านรู้ท่านไม่สกปรท่านดูที่ท่าท่านสุดสกปรท่านนี่ร่างกายมันจะไปยังไงนน่ะเออคนคนไม่เคยแบบพฤ่งปฏิบัติแล้วดิ้นนั่นด้วยนี่ดิ้ไม่ดีตกเตียงนั่นน่ะเตียงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นั่นน่ะท่านก็นอนนิ่งเฉยอยู่นั่นเป็นยังไงเพราะท่านกําหนดดูท่านรู้อยู่ ว่ามันจะออกใครจะออกอารมนั่นแหละมันจ ะ, จะออกจัดกลับเข้าหรือไม่กลับเข้าท่าน ด, ดูกําหนดพิพจารณาดูดูอยู่ท่านไม่ไปห่วงข้างนอกอ่ะท่านห่วงข้างในดูนั่นเป็นอย่างนั้นเลยไม่จะทกสะท้านเออนั่นแหละพูดไปดีไปอย่างนั้นแหละเอานั่นแหละเอาเอานั้นละ่เนนล ะ, เ อ, ละเอาท่านแหละมามาเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์มาเป็นแบบมาฝึกเราเออนั่นแหละคนคนมีธรรมอ่ะ คนเคยประพฤติปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนไม่เคยประพฤติปฏิบัติบวชมาเฉยๆเวลาจะหมดลมปานเน่ยมันจะว่าไปทางไร้ขาไปอีกทางหนึ่งแขนไปอีกทางหนึ่งแล้วก็หมุนอยู่กับเหมือนกับลูกคางนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะขาดการพิพจารณาขาดการประพฤติปฏิบัติเออนั่นเราต้องต่อสู้ตั้งแต่เรามีลมปานนี่เลยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็รู้ ปล่อยไปตามความตามสภาพความเป็นจริงของเขาเสียมันเป็นอย่างนั้นอย่าให้พากันประมาทเอออันนี้กูบาอาจารย์ไม่ได้อะไรนี่แต่มีแต่เหนื่อยนะสังขารอันเนี้ ย, ยนะ อ, นนอันนี้เอาสังขารนามาใชา้เออถ้าได้เอาทําช้ไม่ยากนะกําหนดเข้าไปภายในตลอดลุ่งก็ได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปสงสัยอะไรหรอกเออเพราะเคยเคยทํามาแล้วเออไม่ได้คุยอืม สู้มาหลายปีหลายฟ้ามาแล้วเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาเออที่ไปอยู่กับสำนักนั้นสำนักนี้ไม่ได้ไปอยู่เฉยๆนะไปเพื่อหาข้าอาวัดปฏิบัติเอามาดัดกายดัดวาจาของเรานั่นแหละเออไม่ได้อยู่แบบสนุกเออมเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปขี้ใส่วัดนั้นไปขี้ใส่วัดนี้เออไปสืบดูก็ได้เอ อ, อยังไปอยู่กับหลวงปู่เท่า อยู่ก็ดูท่านแหละเป็นตัวอย่างท่านไม่พูดมากหลวงปูนะ่เนท่านมีแต่ทำอย่างเดียวท่านทำให้ดูแล้วก็ทำเดินูงกรมมันดูที่หละ่ะลึกลงไปครึ่งแข้งนั่นน่ะท่านเดินเดินอยู่นั่นแหละกลางวันเดินแต่ก่อนคนยังไม่รู้ไปเดินเดินเข้ามาเขามาถามหาท่านอาจารย์ไหว้แหวนแต่ก่อนก็เรียกท่านอาจารย์แหวนท่านก็ว่านู่นไปถามข้างในนัท่านว่า ท่นเล่าให้ฟังท่าไม่รู้ท่านพอเข้าไปท่านกับเ้าในห้องเสียนั่งภาวนาเสียพอไปถามหลวงพ่อหนูกขาว่าท่านเดินจงกรมอยู่โน่นช่วงนั้นหลวงพ่อหนูกกําลังเล่งความเพียร น, นะแต่ก่อนนะอับบาท่านเข้าห้องแล้วนั่นนะ่ะท่านไม่คุกคีกับญาติโยมไม่คุกคีกับหมู่คณะการคุกคีกับหมู่คณะนี่มีแต่เสียอย่างเดียวมีแต่ตาใจรรมใจฟุ้งซ่านเออมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่คุกคี เราตั้งใจฝ่าฟื้นปฏิบัติเออมันก็มีแต่ได้อย่างเดียวนั่นแหละเออใจก็สงบกายก็สงบกายก็เป็นกายวิเวกพอาจกาวิเวกใจก็วิเวกเออมันเกิดขึ้นได้นะถ้าเรามีความวิเวกไม่ไปวุ่นวายกับหมู่กับคณะเออนั่นเป็นอย่างนั้นเอา้าต่อไปกำหนดตั้งใจ ประมากมันก็นเหนื่อยขางสังขารเนี่ยถ้าเราเอามาใช้พอมันเป็นของไม่เที่ยงอืมเหนยียดได้ของเป็นเป็นอนิจจังมันก็รู้อยู่แต่ภายในมันอีกอย่างหนึ่งมันคนละอย่างเหนื่อยแต่ใจของเราไม่เหนื่อยไม่เป็นไร ใจของเรามีทา